หลวงพ่อจะยึดแนวแถวที่ปฏิบัติกับครูบาอาจารย์ที่ท่านเคยประพุทธปฏิบัติมาอย่างไรอันไหนคือหลักธรรมวินัยเราจะยึดหลักพระธรรมวินัยให้มั่นคงจะยึดหลักพระธรรมวินัยให้เป็นตัวอย่างของพระของเนนสรุปแล้วก็คืออยากจะให้พระเนนของเราดีเราที่เป็นหัวหน้าก็ต้องทำดีให้ลูกศิษย์ดู เป็นตัวอย่างให้ลูกศิษย์ดูให้พระของหลวงพ่อดูไม่ใช่ว่าจะทำความเสียหายเอารัดเอาเปรียบกินหมูกินเพื่อนต่อไปภายภาคหน้าเขาจะดีได้อย่างไรเพราะทำดีให้เขาดูไม่ได้นี้ก็เหมือนกันอยากจะให้ลูกดีก็ต้องทำดีให้ลูกดูอยากจะให้หมูลูกน้องดีเราก็ต้องทำดีให้ลูกน้องดูเอะ อยากจะให้ประเทศชาติบ้านเมืองดีก็ต้องทำดีให้ประเทศชาติบ้านเมืองเขาดูมันมีหลายระดับเพราะนั้นขอฝากไว้กับครูบาอาจารย์ทุกทกท่านที่เข้ามาอบรมเข้ามาสู่วัดของหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ได้พูดเน้นบุคคลใดบุคคลหนึ่งเน้นเป็นภาพรวมว่าพวกเราที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นคนของชุมชนเป็นคนของสังคมเป็นคนของประเทศชาติ เป็นที่ประเทศชาติมอบความไว้วางใจให้แก่พวกเราที่เป็นครูบาอาจารย์จะได้สอนลูกสอนหลานให้เป็นเด็กดีอันนี้คือคือส่วนหนึ่งแต่ละหน้าที่ก็คือหน้าที่คนละอย่างกันตำรวจพี่น้องประชาชนเขาขอมอบหน้าที่ให้เป็นผู้พิทักษ์สันติราชคือรักษาพี่น้องประชาชนให้อยู่ในความร่มเย็นเป็นจุขแต่ถ้าว่าผู้พิทักษ์สันติราชไม่ปฏิบัติต่อหน้าที่ เห็นแก่โรโหโมกนะแต่บ้านเมืองก็เดือดร้อนฟุ่นวายคือไม่ทำหน้าที่ให้ดีตามที่พี่น้องประชาชนเขามอบหมายให้อย่างทหารก็เหมือนกันพี่น้องประชาชนเขามอบความไว้บังใจให้เป็นรัวของชาติเป็นผู้รักษาประเทศชาติบ้านเมืองถ้าทหารเขาไม่ทำตามหน้าที่รักษาตามหน้าที่ของเขาอันนั้นจะแปลว่าบกพร่องต่อหน้าที่อย่างพิพากษาอายการ ก็เหมือนกันให้รักษากฎหมายบ้านเมืองให้ดูแลพี่น้องประชาชนผู้ใดผิดผู้ใดถูกก็ให้ดูนจากนั้นเราก็เอาเงินภาษีอากรจ้างทุกหมู่ทุกเหล่าจยางครูบาอาจารย์พี่น้องประชาชนคนในชาติเขาก็ว่าจ้างให้เป็นผู้ดูแลเด็กนักเรียนลูกหลานของเขาให้เป็นคนดีเพราะนั้นขอให้ครูบาอาจารย์ให้รู้จักหน้าที่ หน้าที่ของตัวเองอย่าให้ขาดตกบกพร่องอย่างหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระสงฆ์คือพี่น้องประชาชนเขาเลื่อมใสศรัทธาถวายอาหารการบริโภคให้เป็นพระให้อยู่ได้อยู่ได้อย่างพระไม่เหลือเฟือฟุ่งเฟือยแต่ให้อยู่ได้เพราะว่าทำอย่างหลวงพ่อเนี่ยพี่น้องประชาชนเขาทำไม่ได้เขาทาไม่ได้ยังไงคือฉันมือเดียว นอนองค์เดียวไม่เกี่ยวข้องแล้วก็รักษาสินสองอ ย, ยี่แล้วก็ถือธุดงแล้วก็ทำกิ จ, จวัตรข้อวัดตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้พวกคณะสัตธาญาติโยมมองดูแล้วเขาทำไม่ได้อย่างที่พระสงฆ์ทาเพราะนั้นเขาจึงเคารพนับถือเลื่อมใสว่าพระเป็นผู้มีสินมีสีลายจลรวัตหน้าเคารพนานนับถือนาเลื่อมใส จากนั้นก็พระสงฆ์ก็เป็นผู้ใฝ่ในการศึกษาค้นคว้าศึกษาในพระธรรมคำสอนสิ่งไหนที่จะเป็นประโยชน์ต่อลูกหลานต่อพี่น้องประชาชนต่อคนทุกคนที่มาเกี่ยวข้องพระสงฆ์ก็เป็นผู้ค้นคว้าเอาตำรับตารามาศึกษาจากนั้นก็ได้ประสบร ก, การมาอย่างไรได้ศึกษามาอย่างไรและได้ประสบปร ก, การมาด้วยตนเองอย่างไรจากนั้นก็ ได้ประพฤติปฏิบัติทางด้านจิตใจเป็นมาอย่างไรจากนั้นก็นํามาแนะนําสั่งสอนคณะสัตยาญาติโยมให้เข้าใจในรมคําสอนตัว่าแนวประพฤติปฏิบัติให้ดีที่สุดในความรู้สึกครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อเนี่ยจะพยายามแนะนําสั่งสอนให้ดีที่สุดให้ถูกต้องแล้วเมื่อแนะนําไปแล้วผู้ที่ได้รับการแนะนําไปนั้น นำไปประพฤติปฏิบัติจะมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขเพราะเหตุใดเพราะแนะนำด้วยหลักเหตุผลคือแนะนำเอาทำคำสอนของพระพุทธเจา้ามาแนะนำมาบอกกล่าวทุกระดับที่หลวงพ่อได้พูดว่าถามขั้นตอนแต่ลักท่านแต่ละคนควรปฏิบัติตนอย่างไรอย่างนี้หลวงพ่อบอกพระสงฆ์ควรทาตอนอย่างไรตารวจทหารควรทำตอนอย่างไร ครูบาอาจารย์ควรทําตนอย่างไรแต่ละหมู่แต่และคณะและการรู้จักหน้าที่ของตนเองอย่าให้ขาดตกบกพ้องนี่หละทางว่าพวกเราทําอย่างนี้ได้หลวงพ่อว่าประเทศชาติบ้านเมืองไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอกเจริญรุ่งเรืองเพราะอะไรเพราะทุกคนรับผิดชอบรู้จักหน้าที่ของตนเองแต่เดี๋ยวนี้บางครั้งเราก็ได้ยิน ขาดตกบกพร่องบางทีก็เลอะเทอะเลอะเลือนมันทุกหมู่ทุกเหล่าเพราะนี่สุดก็เลยะาะเลาะแว่งกันอย่างที่พวกเราทั้งหลายได้เห็นอันนี้พราะเหตุไรสรุปแล้วก็คือในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเพราะความโลภความโกรธความหลงราคะโทสะโมหะอันนี้คือกิเลสเข้ามาเป็นเครื่องบงการเป็นเครื่องชีน้นาทางด้านจิตใจ เพราะนั้นทำให้จิตใจของพวกเรามืดบอดมองไม่เห็นคุณงามความดีเห็นแต่ความโลภความโกรธความหลงเห็นตราคะโทสะโมหะมก็ทำให้บ้านเมืองเกิดพร้อนพุ่นวายไปหมดเลยเพราะว่ากิเลสนะ่งราคะโทสะโมหะไนอะมันเป็นของที่ไม่ดีแห่งของที่ต่ำที่เลวในหลักของพุทธศาสนาว่าขี้โลภขี้โกรธขี้หลง โดยมากมันเป็นขี้ม่มันเป็นของที่ไม่พึงปรารถนาเพราะนั้นพวกเราพวกทุกท่านครูบาอาจารย์ทุกๆคนนะอันนี้ทวงพ่อได้กล่าวมาทั้งหมดนี้คือเป็นเรื่องของศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยให้สํารวมระวังให้รู้จักหน้าที่ว่าเราควรจะทําตนอย่างไรที่เราอยู่ในสถานณ์อย่างนี้นีนะ้เพราะนั้นถ้าพวกเรารู้จัก การวางตัวในสถานะของตนแล้วถึงใครจะทํำยังไงเป็นเรื่องของเขาอันนั้นเรื่องของเขาแต่ให้นับหนึ่งจากข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้แล้วว่าการทําอย่างนั้นมันเสียหายต่อชุมชนต่อสังคมเอาเถอะข้าพเจ้าจะเป็นผู้ซื่อตรงเราจะเป็นผู้ซื่อสัตย์ต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ใครจะเป็นอย่างอื่นกระชุดแท้แต่แต่ข้าพเจ้าจะเป็นคนดีจะเป็นครูที่ดีไง ให้นับหนึ่งจากข้าพเจ้าอย่างหลวงพ่อนี่หลวงพ่อจะนับหนึ่งหลวงพ่อจะพยายามจะเป็นพระที่ดีให้นับหนึ่งจากเราคนอื่นจะเป็นยังไงก็สุดแท้แต่ข้าพเจ้าจะเป็นพระที่ดีของประเทศชาติต่อพี่น้องประชาชนเป็นผู้ซื่อตรงเป็นผู้ซื่อสัตย์เป็นผู้จงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราจะเป็นพระที่ดีของชาติหลวงพ่อคิดอย่างนั้นไว้อยู่เสมอ อันนี้ก็อยากจะให้ครูบาอาจารย์ทุกท่านที่เขามาเกี่ยวข้องหรือมาฟังในรมคาสอนที่หลวงพ่อได้กล่าวหลวงพ่ออยากจะให้พวกเรามีความตั้งใจอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวนะแต่พวกเรานับหนึ่งจากเราไปแล้วจากนั้นก็ต่างคนก็ต่างนับหนึ่งจากตัวของเราหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่พลเมืองในชาติของเราก็จะมีความร่มเย็นเป็นถุกท่วนหน้ากันอันนี้ ที่หลวงพ่อพูดทั้งหมดทั้งที่กล่าวมาเนี่ยคือหมวดศีลนี่ทีนี้หมวดที่จะทำอย่างนั้นได้ที่จะเอาชนะตัวเองได้อย่างนั้นในหลักของพุทธศาสนาท่านบอกว่าไม่ใช่ของง่ายเหมือนกันที่เราจะคิดประเป่าขึ้นมาแล้วับมาปรับปรุงแก้ไขยอย่างนั้นมันไม่ตายตัวเหมือนกับเราจับเทียนมาแล้วมาบิดพอถือของรอดม า, มากับกลับคืนมาอกีกคมันไม่เหมือนบิดเหลกมา เอาเหล็กเส้นมาแล้วมามนหมุนน่ยมันตัดด้วยความร้อนมันหมุนเนี่ยอันนั้นจะตายตัวจะทํายังไงจึงจะตายตัวอย่างนั้นได้มันออกมาจากไหนอันนี้แหละพระพุทธเจ้าท่านว่าออกมาจากใจเต็มต้องฝึกหัดด้วยสมาธิเนี่ยต้องเห็นความเป็นจริงจริงๆเต่มเฮ้ยถึงฝึกเรื่องสมาธิถ้าเราเห็นตามความเป็นจริงแล้วเรามองเห็นแล้วอือใช่เฮ้ยเราจะเห็นด้วยความเป็นจริงรู้จริงเห็นจริงเี่ย มันจะไม่กลับกอกหลอกลวงเราได้แต่นี้เราเห็นแต่สัญญาและสังขารเนี่ยโดยมากมันจะอกลับได้ง่ายๆเหมือนเราบิดขี้พึ่งอย่างนั้นแหละพอตาแตกขึ้นมามันก็ค่อยคลายไปอยู่สภาพของมันอีกมันไม่ตายตัวแต่ถ้าเราเห็นด้วยสมาธิเนี่ยมันจะตายตัวเนี่ยนี่แหละจากนี้ท่านให้ฝึกสมาธิทีเนี่ยในหลักของพระพุทธศาสนานะ ทักท่านบอกให้ฝึกเรื่องสมาธิที่พูดมาทั้งหมดนะั่นคือสินหมวดศินคือการอยู่ด้วยกันเป็นกฎระเบียบการอยู่ด้วยกันจัดเป็นกลุ่มของศินและสมาธิเนี่ยท่านให้ดูทางด้านจิตใจเลคือนามธรรมด้านจิตใจคือนามธรรที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมท่านดูที่ใจของท่านที่ท่านไปบําเพ็ญอยู่ในป่า บําเพ็ทั้งหกปีที่ออกไปบวชอยู่ในปา่าพระพุทธเจ้าเบบําเพญอยู่ในปา่าออกจากเวียงวังไปศึกษาค้นคว้าอยู่ในปา่าเหมือนไปค้นคว้าศึกษาเรื่องวิทยาศาสตร์อย่างนั้นน่ะแต่ว่าพระพุทธเจ้าของเราไปค้นคว้าเรื่องจิตวิญญาณเรื่องจิตวิทยาหรือจิตวิญญาณเรื่องของใจเรื่องของนา ม, มธรรมที่มองไม่เห็นนะี่ยละตัวนี้เราเป็นตัวใหญ่แต่เรื่องรูปธรรมคือร่างกาย พระพุทธองค์ท่านไม่ได้สนใจมากแต่ท่านสนใจเรื่องนามพระธรรมมากกว่าที่ท่านออกไปศึกษาท่านไปศึกษาค้นคว้าหปีจึงได้พบหลักธรรมไงพระวันหลักธรรมหลักธรรมก็คือคําสอนหลักพระธรรมคําสอนคือพระธรรม8ปดหมืี่พันพระธรรมขันไงไปพบหลักธรรมคือศีลธรรมเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาเรื่องปฏิบัติเอ่อเรื่องมรรคที่จะ แนะนำสั่งสอนพวกเราเราจะเดินยังไงจึงจะพ้นทุกในวัฏสงสารพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้นำชี้แนะแต่ท่านไม่ได้ทำเองนะท่านไม่ได้ทำให้เราท่านไม่ได้ยวเหมือนกับเราท่านหาเงินได้แล้วมาแจกให้เราแจกเงินแจกทองอย่างนั้นเราไม่ต้องหาไม่ใช่อันนี้พระพุทธเจ้ามีแต่ว่าสู่เจ้าอยากจะในเงินอยากจะได้เงินสูเจ้าต้องหาอย่างนี้ สูเจ้าจะได้อาหารสู้เจ้าต้องหาอย่างนี้วิธีการทําอาหารก่อนที่จะเป็นอาหารมาก่อนที่จะเป็นข้าวมาสู้เจ้าต้องปลูกฝังอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนสอนอย่างนั้นแค่ว่าสอนให้พวกเราทําแต่ไม่ใช่ว่าเอาสมบัติมาให้พวกเราประทานให้พวกเราให้พวกเราใช่เฉยอย่างนั้นไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ชีน้นาเป็นผู้บอกทางนี่แหละอันนี้ถ้าพระองค์ก็บอกว่า เราไปค้นคว้าไปศึกษาแล้วก่อนที่เราจะพ้นทุกในวัฏสงสารได้เราต้องนั่งสมาธิน ะ, ะในวันเกือนหกเพนแต่เราไปค้นคว้าศึกษายกหกปีอดภักยาหารถึงสี่สิบเก้าวันเราก็ทำเราทำทุกอย่างในการบำเพ็ญของเราในหกปีนั้นถ้าเราศึกษาใน ปรมผสมพอ่อฤกษ์พุทธประวัติของพระพุทธเจ้านะที่การบําเพ็ญหกปีนั่นแหะไม่ใช่ธรรมดาเกือบเอาชีวิตไม่รอดสลบถึงสามครั้งอันนี้คือพระพุทธเจ้าต้นศาสดาแต่วันที่ได้ตรรู้ธรรมนั้นพระองค์ทําอย่างไรเนี่ยจุดนี้แหละแค่าวิทยาศ า, าสต ร, ร์จุดที่ท่านได้สําเร็จวิทยาศาสตร์ท่านทําอย่างไรจุดที่ท่านได้สาเร็จนั้นท่านได้สําเร็จอะไร นี่แหละอันนี้จุดนี้พวกเราควรจะใส่ใจจุดที่ท่านได้สาเร็จนั้นแต่จุดที่ท่านค้นคว้าศึกษานั้นอันนั้นเป็นหน้าที่ของท่านท่านจะต้องค้นคว้าศึกษาหาเหตุหาผลนี่ก่อนที่ท่านจะได้สําเร็จส ม, สมความมุ่งม า, านะ่นปรารถนาท่านนั้นท่านค้นคว้าศึกษาของเป็นเรื่องของท่านแต่เมื่อวันสําเร็จนั่นแหละวันจุดท้ายที่ท่านได้ตัดรู้ธรรมท่านทําอย่างไรอันนี้จุดนี้เป็นจุดที่พวกเราจะต้อง ที่เป็นพุทธมามะกะพุทธบริษัทเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ส ง, งวนล็กศิธิ์ว่าเราได้ตัดสรู้แล้วได้เรีรู้แล้วพวกท่านทั้งหลายทําอะไรท่านยิ่งเอามาประกาศมาเผยแผ่ให้แก่พวกเราให้พวกเราได้ศึกษาอีกต่างหากวิธีการทำํำทำอย่างไรพระพุทธเจ้าในคืนวันเดือนหกเพ็นนะ่ะท่านนั่งขัดสมาธิที่นายโสธิยะอ่อนญาคามาถวายตอนหัวคำ่ำ ยาคาว่างั้นนลยมาปูเป็นอาชนะเสร็จแล้วท่านก็ปูยาขาทางทิศตะวันออกของต้นโพนะโพที่บรนลัง Jade. ทางทิศตะวันออกของต้นโพจากนั้นพอปูเสร็จแล้วท่านก็ขึ้นนั่งสมาขึ้นนั่งที่บรนลังด้วยว่ายาคาของท่านที่ปูไว้คืออาชนะที่ปูไว้แล้วนะพอขึ้นนั่งท่านก็นั่งขัดสมาธิเลยทีนี้ขาขวาทับขาซ้าย อย่างพระพุทธรูกที่อยู่ต่อหน้าของพวกเราเนี่ยขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกนี่แหละให้พวกคุกหลานคณะสัตยานญาติโยมจำเอาไว้กรรมฐานของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือกาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกในคืนวันที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรูน้น่ะนะ าภาวนาอะไรท่านกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกแต่พวกเราท่านทั้งหลายอยากจะปฏิบัติตามเอ๊ะทำไมพวกเราหายใจเข้ามันทําไมไม่เห็นเราหายใจแรงๆทดลองหายใจแรงๆฟืดเข้าไปแล้วก็กแทกออกมาแรงๆฟูดออกมาอีกเราจะรู้ได้ว่าลมกระทบที่ไหนถ้าคนไม่ตาย ต้องมีลมผ่านเข้าออกถ้าคนตายเท่านั้นอนะ่ะไม่มีลมเข้าออกแต่นี่ลมเข้าออกอยู่ที่จมูกของเราอืจากนั้นหายหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนนี่แหละอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านภาวนาจากนั้นพอตอนหัวค่ํำพอนั่งภาวนาจิตของพระองค์ก็รวมลงเป็นหนึ่งทลยเนี่ยเพราะจิจตจของผมบังคับให้จิตอยู่กับลมหายใจเข้าไม่ให้มันปรุงฟุ้งไปทางอื่น ไม่ให้มันคิดไปถึงอดีตไม่ให้คิดไปนาคตคือให้ดูใจใจคือจิตคือใจของเราเนี่คือความรู้สึกของเราเนี่ยให้อยู่ที่ปลายจมกูกจากนั้นก็จิตของบอกเข้าสู่ความสงบรวมลงเป็นหนึ่งเมื่อรวมลงเป็นหนึ่งแล้วพระองค์ละลึกชาตทผนหลังได้อจ่าปุกเพเนวาสานุสติญาณละลึกชาติผลหลังได้เพราะนั้นคณะัตาญยาดโยมโลูกหลานทำคาสอนของพระพุทธญาณให้พวกเราคิด ได้เลยว่าตายแล้วไม่ศูนย์ตายแล้วเกิดอีกแที่ตายไปแล้วที่เป็นเปรเป็นผีเป็นผ í, ีนผหลอกอยู่นั่นแนหะกรเพราะอะไรก็เพราะใจออกจากร่างออกไปแล้วเขาก็ไม่ได้หลอกหรอกแต่ว่าเขาบางทีเราไปหมุนคลื่นคลื่นวิทยุของเราไปเจอกับเขาตนเองแหมมันก็เลยเป็นรูปร่างขึ้นมาแอแต่มันไม่ใช่ว่าจะหมุนได้ทุกคนไม่ใช่นะบางทีคลื่นมันเจอกันคลื่น F M A M เออมันมีหลายคลื่นวิทยุพอเจอเข้าไปแล้วเราก็เห็นได้นี่แหละอันนี้ก็คือจิตวิญญาณตายแล้วไม่สูญพระพุทธองค์บอกตายแล้วไม่สูญคือตอนหัวค่าท่านระลึกชาติผลหลังได้ชาติที่แล้วเป็นยังไงชาติก่อนๆเป็นยังไงร้อยลาดร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติท่านระลึกได้ทั้งหมดเพราะว่าเครื่องมือของท่านดีนี่แหละพระพุทธองค์ท่านว่า ปบเพในวาสานุจติยาและลึกชาติผลหลังได้พอถึงเที่ยงคืนพระ อ, องค์ทำจิตของพระองค์ให้สงบลงไปอีกพระ อ, องค์รู้อะไรอีกว่ะจุตูปปตาตยานการจุดติของสัพสัตใข่พวกเราลูกหลานเกิดชาตินี้มาจากไหนได้ทำกลัมอันไหนไว้ในอดีตชาติพระ อ, องค์ก็รู้อีกแต่บางคนบอกว่าทาไม คนเกิดมาแล้วไม่เหมือนกันคนหนึ่ ง, งโง่คนหนึ่งฉลาดคนหนึ่งปัญญาอ่อนคนหนึ่งหูหนวกคนนตาบอดคนหนึ่งบ้าใบทำไมไม่เหมือนกันเพราะพระองค์บอกว่าอันตริชาตของเขาทำมาไม่เหมือนกันถ้าคนใดชอบรังแกเบียดเบียนสัตว์มาเกิดมาชาตินี้ร่างกายของเขาจะทุบพ ล, ลภาพ เ, เสียแข้งเสียขา เ, เสีย ตาเสียหูเสียจมูกเสียอะไรมากมายเพราะเหตุไรเพราะชาติแล้วเราชอบลังแกฉัดเบียดเบียนสัตว์ไม่ถึงกับฆ่าแต่ผู้ไรชอบฆ่าสัตว์เกิดมาแล้วยังไม่พ้นท้องแม่ก็ตายแล้วบางทีตายในท้องแม่บางทีออกมาไม่เท่าไหร่ก็ตายเพราะเหตุไรเพราะว่าเขาในอดีตชาติเขาฆ่าชอบฆ่า แต่ทำไมเขาจะเป็นคนที่มีบาทอยังเขาทำไมจะไปเกิดที่คนรวยๆนะเพราะขนไปเกิดในสถานที่รวยเขาเพราะว่าเขาทำบุญทำทานอันนี้สงทานของเขามีเขาทำบุญทำทานในอดีตในชาตินั้นแต่เขาชอบฆ่านะไปเกิดในที่รวยแต่ว่าอายุไม่ยืนเพราะเหตุไรเพราะเขาชอบฆ่านะนี่แหละอันนี้แหละคือพระพุทธเจ้าท่านบอกท่านรู้ไรหมดท่ น, นว่าจุตูปปาตยา คนที่มีสติปัญญาล่ะพระพุทธองค์บอกว่าคนที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมเขาเป็นผู้ใยในการศึกษาใยในการค้นคว้าอย่างลูกหลานมาวันนี้ลูกหลานมาเขาเนี่ยเพื่อศึกษาเพื่อค้นคว้านี่แหละเป็นเครื่องประดับสติปัญญาในชาตินี้ก็มีสติ ป, ประดับสติปัญญาเพราะลูกหลานได้ศึกษาถ้าเกิดพบหน้าชาติหน้าลูกหลานก็มีอุปนิสัยอีกเพราะเหตุไร เพราะใยในการศึกษาอันนี้ผู้มีสติปัญญาเกิดมาพบหน้าชาติหน้าก็เสียบแหลมมีความคิดที่ดีแต่ถ้าว่าผู้ใดชอบกินเหล้าชอบของมึนเมาอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเรื่องศีลห้าถ้าเกิดพบหน้าชาติหน้าจะเป็นคนปัญญาอ่อนปํามปัมป่มเปื่อเปอืเป่เรียนหนังสือก็ไม่ค่อยจำเพรเหตุไรเพราะอันนี้สงหรือบาปกล่ำ ของเขาในอดีตชาติชอบในของมืนเมาทำให้เกิดมาพบในชาตินี้ก็ทำให้สมองเขาฟันเฟือนอเนี่ยนี่แหละสรุปแล้วก็คือพระพุทธองค์ท่านรู้ได้ทั้งหมดว่ากรรมกรรมเป็นมาอย่างไรส่งผลอย่างไรเป็นผลดีอย่างไรเป็นผลเร็วเร็วอย่างไรพระองค์รู้หมดเพราะนั้นพระพุทธองค์ว่า กรรมชั่วอย่าทํำเสลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมให้ผลเมื่อภายหลังอัคตังทุกตังเสื่อยโยปัจฉาตปติรุกตังกรรมชั่วอย่าทํำเสลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมให้ผลเมื่อภายหลังเมื่อเราทําไปแล้วเอกรรมชั่วนั้นจะติดตามให้ผลเราเมื่อภายหลังเนี่ยพระพุทธเจ้ารันได้จุตูปปาตยานการจุดติของสรรพสัตว์ทั้งหลาย นี่แหละในคืนวันนั้นพอถึงจวนสว่างพระพุทธองค์ก็ได้ตัดกิเลสคือราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจนอาสาวกญาญญาญอย่างรู้ว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วเราจะไม่เกิดอีกแล้วเพราะเราชำระใจของเราให้บริสุทธิ์แล้วสิ่งที่จะให้เกิดอีกนั้นคือกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่ในใจคือมันเป็นเชื้ออยู่ในใจเราชำระเชื้อ คือกิเลสราคาโทสะออกแล้วด้วยตปรธรรมของเราคือศีลสมาธิปัญญาพระโอรสประกาศเลยแต่นี่ยประวัตชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเราจะไม่เกิดอีกเลยนี่แหละเพราะพระพุทธเจ้าได้ตัดรู้ในวันเดือนหกเพ็นนั้นคือได้ตัดรู้ธรรมสามอย่างปุพเพในวาสานุจติยานและลึกชาติผลหลังได้เพราะฉะนั้นพวกเราลูกหลานทั้งหลายคณะทา ย, ยาทโยบทั้งหลายอย่าไปคิดว่าตายแล้วศูนย์นะตายแล้วเกิดนะ as จุตูปปาปาตยานการจุติของสรพสัตความเป็นมาของสรพสัตแต่ละคนทําไมไม่เหมือนกันเพราะพระองค์บวกรมคือการกระทําในอดีตไม่เหมือนกันในชาตินี้ก็เถอะพวกเราทําสิ่งไหนก็ยังทําไม่เหมือนกันเพราะนั้นพวกลูกหลานทุกคนที่มานั่งเจ็ดสิบกว่าท่านเจ็ดสิบกว่าคนให้ลูกหลานดูสิมีแข้งขาตีนมือมีหน้าตาเหมือนกันมีหูมีจมูกเหมือนกันหมดแต่ว่าไม่เหมือนกันเพราะหะไรเพราะกรรมจําแนก กรรมจำแนกพวกเราให้เป็นแปกแตกต่างกันเพราะนั้นกรรมตัวนี้นะเป็นเครื่องละเอียดอ่อนมากคนจะเกิดเป็นคนแต่ไม่เหมือนคนไม่เหมือนกันนี่แหละยัง่อยูอต่ตูปปาปาทยานการจำแนกลวกกรรมคือการกระทาจำแนกให้สรพรพสัตว์ทั้งหลายเป็นเรื่องราวต่างๆได้นี่แหละอันนี้ก็คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นขอให้พวกเราครูบาอาจารย์ ลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานทั้งหลายนะให้ศึกษาเรื่องทรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นหลักเหตุผลแล้วนำมาประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายวาจาใจของเราแล้วให้เราเป็นคนดีได้เพราะนั้นก่อนที่พวกเราจะคิดก่อนที่พวกเราจะคิดจะพูดจะทำสิ่งไหนก็ตามให้คิดให้ดีให้มีเมตตาให้มีน้าใจ อย่าไปใช้อารมณ์แบบผู้วามถ้าไปใช้แบบอารมณ์แบบผู้วามโมโหโกรธาขึ้นมาแล้วก็พวดพัดทำความชั่วเสียหายเมื่อทำไปแล้วนะ่ะน่กรรมชั่วจะตามสนองเนะ่จับเข้าคุกเข้าตารางไปอยู่ที่นั่นเลยหมดอิสรภาพอย่างที่หลวงพ่อได้เล่าให้ฟังก่อนที่จะแสดงธรรมให้แก่ลูกหลานได้ยินได้ฟังเพื่อเป็นการศึกษาของลูกของหลานไม่ใช่หลวงพ่อจะเพิ่มเติมดูถูกเจี ย, ยมเขาไม่ใช่ อันหนุ่มพรว่ากรัมอยากกระทำนั่นูกหลานนะอย่าไปทำกรัมไม่ดีถ้าทำกรัมไม่ดีแล้วกฎหมายบ้านเมืองเขาเล่นงานจากนั้นเขากัดจับเข้าคุกเข้าตาัางหมดอิจฉาราผาบเพราะการกระทำของเราเพียงชั่ววูบชั่ววาวเพราะนั้นการที่จะทำสิ่งไหนเขาทำต้องคิดให้รอบคอบต้องใช้สติต้องใช้ปัญญาให้รอบคอบไต่ตรองด้วยเหตุและผลต้องยับยัง้งแต่รถเขา มีรถทั้งคันเขาก็ยังมีเบรกเพราะทั้งใจของเราควรจะมี break. เบรกคิดทํามันไม่ถูกแล้วเบรกเอาไว้อย่าทำํำ เ, เราไม่ใช่ว่าเราจะอยู่ในโลกนี้เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นปีเมื่อไหร่อยู่ไม่นาน อ, อยู่ในโลกนี้ไม่นานเดี๋ยวเขาจากกันไปแล้วถึงจะโกรธให้แก่ใครก็อ่าไปโกรธมากถึงจะรักใครก็อย่าไปรักมากเพราะเราเกิดมาแล้วก็เพิ่งมาเจอกันมาพบกัน จากนั้นก็จะได้แยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางไม่เห็นใครที่จะอยู่โช่ฟ้าดินฉลายมีไหมไม่มีทุกคนก็จะแยกย้ายกันอีกสักวันหนึ่งอยู่แล้วเพราะนั้นสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีสิ่งไหนที่มันจะดีควรจะเอาความดีมาให้กันดูมาให้ประพฤติปฏิบัติต่อกันนี่แหละสิ่งไหนที่อยู่เราอยู่ในสถานะไหน ก็ให้ทามาทีในสถานนั้นให้ดีที่สุดเยอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นว่าในฐานะที่หลวงพ่อเป็นเจ้าของวัดแะเป็นเจ้าอาวาสอย่างนี้หลวงพ่อจะพยายามทําดีให้สุดทําดีที่สุดอยากจะให้ลูกศิษย์ของหลวงพ่อดีหลวงพ่อต้องทําดีให้ลูกศิษย์ดูครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันอยากจะให้ลูกศิษย์ดูอยากจะให้ลูกศิษย์ดีก็ต้องทําดีให้ลูกศิษย์ให้นักเรียนดูอยากจะให้ลูกน้องตัวเองอยู่ใต้ปกครองเป็นคนดี เราก็ต้องทำดีให้ลูกน้องของเราดูนะทุกระดับถ้าเราทำถ้าเราคิดอย่างนั้นได้หลวงพ่อว่าการอยู่ด้วยกันถึงจะมากน้อยมากมายขนาดไหนถ้ามีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมในจิตในใจแล้วความร่มเย็นเป็นจุกก็จะเกิดขึ้นสู่ชุมชนสังคมของพวกเราอย่างหลวงพ่อไปพูดไปเจอโยมหลายหลาท่านที่เป็นผู้ใหญ่หลวงพ่อว่า การจะพัฒนาสิ่งไหนก็ตามจะพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองเออไทยเข้มแข็งน่อะไรก็ตามอย่าลืมเรื่องพัฒนาคนถ้าพัฒนาแต่สิ่งภายนอกวัตถุภายนอกเห็นหรูหราโออาถนนหนทางตึกลานบ้านช่องสิ่งไหนก็ตามสวยหรูไปหมดแต่คนในชาติของเราเนี่ ย, ยกระจกงอกง่อยไม่ได้รับการศึกษาที่ดี ไม่ได้รับการอบรมที่ดีขาดคุณศีลธรรมคุณธ ร, ธรรมศีลธรรมจริยธรรมแล้วจะพัฒนาสิ่งนั้นรู้หลาโออาพัฒนาไปเถอะแล้วคนที่ไม่มีคุณภาพไม่มีคุณธรรมเนี่ยคนนี่แหละจะเป็นผู้ทําลายทําลายวัตถุเหล่านั้นแล้วก็ขายงัดไปขายหมดสายไฟฟงสายไฟฟ้าหลอดฟงหลอดไฟที่ไหนที่มันสวยๆรู้ๆรู้หลาโอ้อา เถอก็ไม่ได้เอาไปขายหมดเพราะอะไรเพราะคนในชาติไม่ได้รับการอบรมไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้รับการพัฒนาที่ดีไม่รู้จักคุณค่าเพราะนั้นต้องพัฒนาคนก่อนจึงจะพัฒนาสิ่งเหล่านั้นถ้าพัฒนาคนได้แล้วหลวงพ่อว่าถึงยังไงยังไงคนนั่นแหะจะช่วยเหลือคนคนนั่นแหละจะพัฒนาจะไปได้ดีร่มเย็นเป็นสุขเพราะคนแต่ถ้าว่าคน พัฒนาไม่ดีแล้วคนจะทำร้ายคนคนจะเบียดเบียนคนคนทั้งหลายจะเห็นแก่ตัวผลใ่สุดประเทศชาติบ้านเมืองจะร่มจมจิบหายเพราะคนในชาติของพวกเราเองเพราะพระเจ้าท่านตรัสท่านบอกไว้แล้วนะศาสนาของตถาคตจะยืนยาวไปได้เพราะพุทธบริษัทสีศาสนาของตถาคตจะร่มจมจบหายจะหมดไปโดยเร็วก็เพราะพุทธบริษัทสี่ ถ้าจะเปรียบเทียบกับทำคำสอนของพระพุทธเจ้าจุดนี้เราจะเปรียบเทียบว่าประเทศชาติเมืองไทยของเราจะเจริญรุ่งเรืองได้เพราะคนในชาติคนในชาติไทยให้ความเกื้อกูลหนุนกันเป็นพลเมืองดีมีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมที่ดีประเทศชาติก็จะเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าว่าประเทศชาติของเราไม่ได้พัฒนาคนในชาติ มีแต่เห็นแก่ตัวโลภโกรธหลงมีแต่กิเลสเห็นแก่ตัวทั้งหมดประเทศชาติจะโลภจมจิบหายเพราะคนในชาติไม่ใช่ชาติอื่นนะี่ยจะมาทําลายคนในชาติของเรานะี่ยจะทําลายกันเองนี่แหละเข้าทํานองที่ว่าพระพระศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองเพราะพุทธบริษัทของพระองค์นะอันนี้เหมือนกันประเทศชาติจะลุกล่มจมจิบพายหรือจะเจริญรุ่งเรืองก็เพราะคนในชาติของเรานั่นเอง ร้า น, นขอให้พวกเราทุกๆท่านลูกหลานทุกคนพวกเราเป็นคนในชาติจะทํำยังไงประเทศชาติของเราจึงจะเทียมเท่ากับอรารยประเทศของเขามีแต่ทะเลาะวิวาทกันอมีแต่เห็นแก่ตัวเใครนําท่านหน้าที่อะไรเพียนแต่ทํเยาะเยาะแยะ ๆ, ๆเหมือนกับเลิ่ยงเต้นละครอย่างไรหลิงเต้นลามันทํำยังไงเจ้าของอก็พอ้อาร้องเพลง อาปากงาบงาบสองสามคำเออเอาฟ้อนก็ยกมือสองสามงอกอย่างนั้นนะและจะทำยังไงถ้าคนในชาติของเราถ้าหาว่าทำอย่างที่หลวงพ่อพูดเนี่ยคือขาดความรับผิดชอบไม่ได้ทำหน้าที่ให้ดีให้เหมาะให้สมควรแก่การเป็นอยู่แล้วประเทศชาติของเราจะเจริญได้อย่างไรในขอฝากมอบไว้กับครูบาอาจารย์ ทุกๆท่านที่ได้มาเข้ามาอบรมเข้ามาพบกับหลวงพ่อในวันนี้หลวงพ่อว่าถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหมามงคลอย่างยิ่งที่ครูบาอาจารย์ได้นําคณะศิษย์นักเรียนเข้ามาแล้วก็มาปฏิบัติธรรมด้วยวันนี้แล้วก็มาพักที่วัดของหลวงพ่อด้วยหลวงพ่อว่ายินดีอย่างยิ่งที่เห็นลูกเห็นหลานเห็นคณะศรัทธายาดโยม แต่ว่าสิ่งไหนที่ขาดตกบกพร่องหลวงพ่อเองก็ต้องขออภัยเพราะวัดป่านะแต่ว่าถึงยังไงก็ตามถ้าครูบาอาจารย์เห็นจุดไหนที่มันขาดตกบกพร่องเอเด็กนักเรียนไม่มีหมอนไม่มีนะหลวงพ่อนะเสือไม่มีนะก็บอกพอหลวงพ่อจะหาให้พอหลวงพ่อจะมองไม่เห็นเพราะมาหลายคูู้หลายคนนะแต่หลวงพ่อคิดว่าน่าจะเพียงพอที่ได้จัดไปให้นั้นนะเอแล้วก็อการเป็นอยู่ ก็อย่างที่ว่านั่นนะพอหลวงพ่อขอออกตัวให้ก่อนเป็นวัดป่านะเราอยู่วัดป่าแต่ทีังไงขอให้ลูกหลานทุกคนนะเวลาเดินไปห า, าที่พักก็ให้สังเกตจังกาเพราะวัดป่าของเรามีอจรพิษมีงูแต่ไม่มากหรอกแต่เป็นงูเขียวหางไหม้โดยมากมันจะไม่หนีคนมันมาแล้วก็มันบบจะมาอยู่กลางทางนีน่เวลาเราเดินไประวังไม่ระวังมันอาจจะฉกแข่งกัดแข่งกัดขาของเราได้แต่งูอย่างอื่นไม่มีหรอก แต่หวงพ่อเป็นห่วงตึงงูนะ่ะงูเขียวหางไหม้นะ่ะมันก็ไม่มากหรอกแต่ตะกอนมันมีหมูป่าธรรมชาติมันมันหักล้างกันเองมังนนะันแะแต่เดี๋ยวนี้หมูป่าหลวงพ่อก็จับไปปล่อยมากยังเหลือไม่กี่ตัวนะเพราะนั้นพวกงูสลพิษทั้งหลายมันก็เลยเเกำลังขึ้นมาอีกเท่นี้สมัยก่อนไม่มีเรางั้นแนละเพราะหมูป่ า, า ง, งูจงอางงูเหาเ่าอะไร งูเหลือมอะไรเป็นอาหารของหมูป่าหมดว่างั้นอะแต่เดี๋ยวนี้หมูป่าหมดแล้วอพวกสัตว์เหล่านี้ก็กําลังขึ้นมาอีกนะแต่ทั้งยังไงก็ไม่มากหรอกแต่หลวงพ่อเตือนเอาไว้นะแล้ะตระมัดระวังเลวลาเราเดินเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนตกชุกมาได้หลายวันทําให้ดินมันร่นพื้นมันร่วนนะพวกเราเดินอาจจะหกล้มทางหกล้มขึ้นไปแล้วก็บางทีอาจจะ แขนอะไรไปกระแทกกับพื้นน่ะก็เป็นอันตรายเหมือนกันนะลูกหลานนะช่วยๆกันดูๆนะค่อยๆไปค่อยมาเพราะว่าเรามาต่างทีมมาต่างทีมเราก็ต้องสังเกตต้องดูนะมันไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราหนูวิ่งไปที่ไหนก็ได้แต่มาอย่างนี้เราจะไปวิ่งโด เ, เร็วอย่างนั้นไม่ได้ไปหกล้มก้มกลับแล้วก็ไม่ดีนะเสียอวัยวะของพวกเราขาหักแขนหักโอ้หลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อไม่สบายใจเหมือนกันนะ เพราะนั้นหลวงพ่อจึงบอกกล่าวทุกคู่ทุกคนที่มาหลวงพ่อเ อ, อ้อระวังเนอไปที่ไหนไหนให้นมัดระวังนะนะแอหลวงพ่อย้ำเตือนนะระว่าการพูดการกล่าวสมโภชธนิยกถาวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระศีรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองขอให้พวกเราทุกท่าน จงประสบแต่ความสุขความเจริญปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบขอบเขตของศีลธรรมก็ข อ, ขอให้สำเร็จสมความมุ่งมาตนปราถนาทุกประการเทินเอาหลวงพ่อจะพานั่งสมาธิให้ปฏิบัติให้ครบนะวันนี้นะเวลานั่งสมาธินะ ขาขวาทับขาซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วให้พวกเราประน ม, มือในะหว่างอกฮอคือไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์ซะก่อนเราไหว้พุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆสามจบนะคือไหว้พระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์ซะก่อนหลังจากนั้นเอามือลงนะในเมื่อเอามือลงแล้วอย่างนี้แล้วนะ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 เราไม่ผูกพยาบาทอาฆาตกับใครๆทุกวิญญาณทุกตัวคน เ, เราให้อภัยในขณะที่เรานั่งภาวนานเราให้อภัยเอาจากนั้นเราก็เวลาหายใจเข้าเราบริกรรมว่าพุทธหายใจออกเราบริกรรมว่าโถหายใจเข้าพุทธหายใจออกโถกแต่ถ้าว่าเราเอากําหนดลมหายใจเข้าออกไม่เห็นเราก็หายใจแรงๆครับหายใจ ก็อก็แทบแรงๆหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนะออย่างหละนี่แหล ะ, ละจากนั้นเราจะนับก็ได้ทีนี่นะเราจะนับก็ไดอหายใจเข้าหนึ่งหายใจออกสองอันนี้คือเวลาเราเราภาวนานะจะสมมบอกว่าเราภาวนาหายใจกําหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนะ มันมันเผลอไปเอมันแฉลบไปเราจะทดลองนับดูก็ได้นะแค่แค่ว่าเรามีสตินับดูสิป่ะหายใจเข้าหนึ่งหายใจออกสองหายใจเข้าสามหายใจออกสี่หายใจเข้าห้าหายใจออกหกหายใจเข้าเจ็ดหายใจออกแปดจนถึงร้อยนะพอถึงร้อยเสร็จแล้วให้กลับมานับหนึ่งใหม่อีกถ้านับถึงร้อยเลยแปลว่าสติของเราเนี่ยดีดีแล้ว จิตของเราดีแล้วหนึ่งร้อยนะหนึ่งนาทีกว่าแล้วงั้นแต่แล้วเรามานับหนึ่งมาอีกแต่ถ้าว่าเรานับไปแล้วมันเบอร์เบอร์นะมันขาดสติมันขาดจิดตเราจะขาดได้ยังไงเวลาเรานับไปถึงหายใจเข้าสามสิบสองหายใจออกสามสิบสามอันนี้แปลว่าขาดนะมันขาดจิตให้เราสังเกตว่าหายใจเข้านี่เป็นเลขขี้หนะึ่งหายใจออกเป็นเลขคู่สอง หายใจเข้าเป็นเลขขี้สามหายใจออกเป็นเลขคู่สี่เนี่ยห้าหกเจ็ดแปดจนถึงร้อยแต่ถ้ามาพวกเราหายใจไปถึงยี่สิบเนี่ยมันเบอร์ไปมันขาดยังไม่ถึงสิบขาดแล้วเนี่ยแสดงว่าสติองเรล่านั้นสั้นมากแล้วะไม่น่าไว้ใจแล้วงั้นใอ่ไม่น่าไว้ใจถ้าเกินขาดมากกว่านั้นนลยเผลอเผลอจะเป็นบ้าเป็นบอได้ไง่าย ๆ, ๆเพราะเราขาดสติเพราะนั้นเราต้องฝึกสติให้เข้มแข็งนะ หายใจเข้าหนึ่งหายใจออกสองอถ้ามันขาดสติหายใจเข้า52หายใจออก53าเนี่ยแปลว่าผิดแล้วข้ามขั้นหายใจเข้าต้องเป็นเลขคี่หายใจออกเป็นเลขคู่นะอันนี้ให้ทดลองดูนะลูกหลานนะวิธีการปฏิบัติมีห ล, ลายอย่างไม่ใช่ว่าพุทธโธพุทธโธอย่างเดียวไม่ใช่แต่อันนี้ก็คือภาวนาพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติ แต่ข้อสําคัญให้มีสติเพราะงั้นแต่พุทธาก็ให้มีสติธรรมาก็ให้มีสติในธรรมสังขานุสติเลยยังมีสติในสังฆะที่เรากําหนดดูหายใจเข้าสังโคหายใจออกก็สังโคหายใจเข้าธรรมโมหายใจออกธรรโมหายใจเข้าพุทโธหายใจเข้าพุท้ายใจออกโทธก็ได้นะในหลังวิธีการประพฤติปฏิบัติเอาตอนนี้ไปหลวงพ่อจะงอยู่โพธิ์ธนเจริญนะเอานั่ง ภาว น, นานะถึงกำหนดลมหายใจพุทโธพุทธโธนะเรียกว่าจะนับหนึ่งก็ได้อย่างที่หลวงพ่อได้พูดนะ